ก็กราบบูชาพระธนตรัยกราบบูชาครูบาจารย์แต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถวายความกรบมายังครูบาจารย์พระจารย์ทรงศิลป์พระจารย์สุรินพันเทเพื่อนสาธมิกจเจริญพรมายังคุณแม่ชีแล้วก็นักปฏิบัติทุกท่าน ก็นั่งกันตามปกติเนาะ <c oughs> ช่วงนี้มนแมลงเมาเยอะหน่อยก็ปิดไฟก็ได้เนาะแต่ระวังนิดนึงความง่วงมันอยากเข้ามาครอบงำพยายามปลุกตัวเองให้ตื่นเนาะหลังจากที่เราได้นอนกันมาพักผ่อนพอสมควรนะก็น่าจะอิ่มละทีนี้ที่มันยัง ที่มาลบ ก, กวนอยู่บ้างก็อาจจะเป็นความเคยชินเก่าๆเราก็พยายามที่จะฝืนมันนิดหนึ่ง <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันอังคารนะที่21นะรรกรกฎาคมพุทธศักราช2558นะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาร่วมกันไหว้พระสวดมนตนะ์แล้วก็ได้ฟังธรรมซึ่งนอกจาก พระเม่ชีญาติโยมที่อยู่ในวัดนะก็มีกลุ่มปฏิบัติธรรมประจำเดือนกรกฎาคมแล้วก็มาทั้งในส่วนที่มากันเองแล้วก็หอจดหมายเหตุพุทธทาสนะได้เชิญชวนมานะตามโครงการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีศา ส, สนานะซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะ เรื่องอนุโมทนาห น, น้าอนุโมทนาอย่างยิ่งทีนี้การที่เรามาวัดป่าสุขโตเนี่ยนะก็เชื่อว่าแต่ละคนก็คงมีความตั้งใจนะที่จะมาเรียนรู้ตัวเราเองโดยเฉพาะเรื่องจิตเรื่องใจจิตใจเนี่ยนะถ้าเราไม่เคยได้มาสนใจเนี่ยนะมันก็เหมือนเป็นห้องลับเป็นห้องลับชนิดหนึ่งที่มัน เราไม่เคยไปเปิดดูมันเลยนะมันก็เหมือนห้องในบ้านที่มันปิดเอาไว้มืดคึ้มฝุ่นเต็มไปหมดสกรปร ก, กรดลุงลังถึงวันดีคืนดีเราก็ไปเปิดห้องนั้นขึ้นมาปรากฏว่าโอ้โหห้องมันสกรปรกมากมีฝุ่นละอองมีหยักให่มีข้าวของเครื่องใช้ละเกะละกะ นะเราก็จะชาระล้างมันทีนนี้การจะไปชาระล้างใ้ห้องที่มันสกปรกเนี่ยม่ๆเนี่ยฟุ้งมันก็กระจายนะฝุ่นกระจายไม่หมดเลยมันเหมือนกับเรามาปฏิบัติเนี่ยพอเราเริ่มต้นนะที่จะสร้างจังหวะเดินจงกลมเนี่ยเอาแล้วมันมาแล้วนะความง่วงมาเลยยกขบวนมากันเลยนะเมื่อวานเนี่ยทั้งวันเลยนะสังเกตไหมพกเราสังเกตไห มันง่วงมันฟุ้งซ่านมันเบื่อมันปวดมันเมื่อยมาเลยมันยกขบวนมาเลยนะถ้าเราเคยอ่านพุทธประวัติเนี่ยเหมือนตอนพุทธเจ้าท่านนั่งจตัสรู้อ่ะมาเลยพยามาลยกพลมาเลยนะเราเข้มแข็งหรือเปล่าละหรือเรายอมจำนนมันยอมจำนนกับความง่วงยอมจำนนกับความเบื่อเลยไปหากิจกรรมอื่นทอนะ เช่นาเพื่อนคุยหาน่นหานีธรทมคือเราไม่พยายามที่จะเข้าไปดูมันสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันแสดงออกมาเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นของที่เรียกว่าโสกปกปลกลุงลังเป็นห้องรับที่เราเปิดขึ้นมาใหม่แล้วเราก็อยากจะทำความสะอาดแต่เพราะนั้นใหม่ๆเนี่ยการฝึกเจริญสติไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามนะ มันจะมีอาการอย่างนี้ก่อนอารมณ์หยาบๆเนี่ยมนันอารมณ์ที่เราไม่ค่อยจะพอใจไม่ค่อยชอบใจซึ่งจริงๆเ่ยมันคือนิสัยเ่ยมันคือสันดานเราแหละจริงๆแล้วมันแสดงออกมาแต่เราไม่ชอบเราไม่อยากเราปฏิเสธมันไอ้ตัวนี้นี่แหละมันทําให้คนหลายคนนะละชั่วทําดีได้แต่ทําจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยเราไม่ก็ได้ทํากัน การที่มาวัดเนี่ยจะมาทำบุญสุนทานก็ดีจะมาบวชก็ดีจะมาปฏิบัติธรรมก็ดีเรามาละชั่วใช่ไหมก็คือไม่ทำสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมมาทำดีทำกุศลอันนี้เราทำได้ง่ายๆไม่ยากแต่อิชารัจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยโอ้โหมันต้องไปเจอกับสิ่งที่เราไม่คาดว่ามันจะมี เช่นความเบื่อความง่วงความเซ็งความหงุดหงิดลำคาญความปวดความเมื่อยเนี่ยตัวนี้เป็นตัวกันเลยนะเป็นตัวกันเบื้องต้นเลยที่จะทาให้เราเนี่ยไม่สามารถเข้าไปเห็นความลับภายในจิตใจของเราความลับภายในจิตใจของเราซึ่งมันจริงๆมันสว่างสวัยมันปลอดโปรง่งโล่งซึ่งมันมีอยู่ แต่ว่าการจะผ่านไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยมันจะต้องผ่านอารมณ์ห ย, ยาบๆยามนี้ไปก่อนเพราะนั้นการเจริญสติเนี่ยอย่างน้นอยๆเราต้องมีตาก่อนตาที่ว่านี่คือความรู้สึกตัวห้องมันมืดมันเป็นห้องลับมันลี้ลับอยู่ในจิตในใจของเราเราต้องเปิดไฟก็คือความรู้สึกตัวส่องสว่างเข้าไปในจิตใจของเรานะ ความรู้สึกตัวเนี่ยจริงๆมันมีอยู่แล้วทุกคนน่นแหละแต่ความรู้สึกตัวนี้เป็นความรู้สึกตัวตามสัญชาตญาณเอาไว้ใช้สําหรับการทาการทางานทากิจวัตรประจาวันเ้าเรียกว่าสติสา ม, มันหรือสติสัญชาตญาณสัตว์มันก็มีคนร้ายก็มีคนดีก็มีคนทั่วไปมีหมดแต่สติตรงนี้เนี่ย มันไม่สามารถที่จะเจาะทะลุทะลวงเข้าไปเห็นความลี้ลับภายในจิตในใจของเราไม่เห็นทันไปไม่เห็นไม่ทันกับความคิดปรุงแต่งไม่ทันกับอารมณ์ต่างๆความโลภความโกรธความหลงความหงุดหงิดลำคาญต่างๆที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้เราไม่รู้ทันมันเลยเราทำไปตามอารมณ์ โดนอารมณ์มันครอบงำโดนอารมณ์มันผักใสวันแล้ววันเล่าเราก็อยากจะแก่แต่เราก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเรารู้นะความโกรธไม่ดีความเบื่อไม่ดีแต่เราก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเราก็ไปหาสิ่งอื่นภายนอกนะ ม, มากลบเกลื่อนไปวันวันหนึ่งเบื่อเราก็ไปเที่ยวไปกินไปเล่นไปดูหนังฟังเพลงนะก็คือเราหนี หนีความจริงที่มันแสดงปรากฏออกมาตรงนี้นี่เองทำให้เราพลาดโ อ, อกาส ใ, ในการที่จะเรียนรู้นะเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องกายที่เขาแสดงตัวออกมาแต่ไม่ได้ก็ตามที่เรากลับมากลับมาเรียนรู้ด้วยการฝึกเจริญสติจะเป็นวิธีใดก็ตามนะนะจะเป็นยุบหนอพองหนอสัมมาหลังพุทธโธอนาพนสติหรือการเคลื่อนไหว ก็มีจุดประสงค์ตรงนี้นะเพียงแต่ว่าการเริ่มต้นอาจจะแตกต่างกันนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราพยายามที่จะเปิดตาเปิดตาใจคือความรู้สึกตัวให้มันสว่างสไยขึ้นส่องก็ไปในห้องลับที่อยู่ในจิตใจของเราห้องลับที่มันเก็บสะสมความเคยชินเก่าๆสิ่งที่มันหมักมมที่ทําอะไรไปตามอารมณ์ ตามความเคยชินทำอะไรไปตามความอยากความไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะาไปตามสัญชาติญาณทําไปตามกิเลสนะแล้วตรงเนี้ยมันก็นาความทุกข์มาให้โดยที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นภายในจิตในใจของเราบางทีเราก็ไปโทษคนนูน้นโทษคนนี้โทษสังคมโทษสิ่งแวดล้อมต่างๆแต่เราไม่เคยมาดูไม่เคยมาดูวะ ปัญหาจริงๆมันอยู่ในจิตในใจของเราสาเหตุของปัญหาก็อยู่ในจิตในใจของเรานะเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เรากลับมานะกลับมารู้สึกตัวตามันก็เปิดขึ้นวันนี้เมื่อวานบางคนอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเริ่มต้นที่จะมาเปิดห้องลับที่มีอยู่ในจิตในใจโอ้มันมีห้องลับอย่างนี้ด้วยเนาะโหแล้วมันสิ่งที่มันแสดงออกมาเนี้ยมันไม่น่าดูเลยอ่ะ ความง่วงความเบื่อความเซ็งความหงุดหงิดลำคาญนะหรือบางคนก็มีเรื่องเก่าๆ เ, เรื่องเก่าๆทั้งดีทั้งไม่ดีอ่ะแต่ส่วนใหญ่มันจะเรื่องไม่ดีก่อนนะเป็นความลับที่เรารู้เฉพาะตัวนะอันนี้มันจะผุดขึ้นมาเพราะฉะนั้นการผุดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นการชำระล้างนะการที่มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่ต้องไปปฏิเสธนะเขามาให้เราเห็นให้เราดู แต่ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นการชําระล้างชําระล้างห้องที่มันสปกปรกแตที่มันลกลุงรังไปด้วยความโลภความโกรธความหลงความอยากความยึดติดอะไรต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นการชําระจิตชําระใจให้บริสุทธิ์เนี่ยก็คือการที่เรามาฝึกเจริญสตินี่เองใช้ตาคือสติสัมปชัญญะสติมาปัญญามันก็มาสติเป็นตัวส่องปัญญาเข้าไป พิจารณาแล้วก็ทำการชำระล้างอันไหนที่ดีอันไหนที่ไม่ดีนะของที่ดีเราก็เอาออกมาก่อนของที่ไม่ดีเราก็เอาออกมาก่อนเรียกว่าของที่อยู่ในห้องเอาออกไห้หมดก่อนเหมือนกับการที่ขณะที่เราเจริญสติเนี่ยนะเราก็เอาของเนียนะก็คือความคิดเนี่ยมันจะคิดดีคิดไม่ดีเนี่ยทิ้งไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปตามคิดมัน มันคิดขึ้นมาทิ้งไปก่อนกลับมารู้สึกตัวมันคิดขึ้นมาทิ้งไปก่อนกลับมารู้สึกตัวทําตรงเนี้ยทาบ่อยๆทําซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกมันจะเกิดการชําระล้างสิ่งที่มันหมักหมมในจิตในใจสิ่งที่มันหมักหมมอยู่ในกํำมลสดานะมันจะถูกขุดขุดขุดขึ้นมาเรื่อยๆนะใหม่ๆก็จะเป็น อ, อารมณ์ที่หยับหยาบความคิดที่หยับหยาบนะที่จะแสดงออกมา นะเมื่อเราขุดลงไปเรื่อยๆนะมันก็จะไปสัมผัสที่อารมณ์ที่มันละเอียดอ่อนขึ้นนะในสามวันเจ็ดวันเนี่ยให้เราสังเกตดูแต่อย่าไปหามันนะอย่าไปหามันทำมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวสติเนี่ยมันจะพาไปเองสติมันจะส่องนำทางไปเองสติที่เราทำด้วยความเพียรความพยายามแต่กี้นี่เราสาธยายหมุนว่าความพยายามในการออที่จะ ไม่ให้อกุศลเกิดหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้มันออกไปอักุศลที่ว่านี่คือความไม่รู้นั่นเองไม่รู้ตัวนั่นเองนะแล้วก็ทำให้กุศลที่ยังไม่เกิดก็ให้เกิดขึ้นก็คือให้มีความรู้ตัวขึ้นมาให้รู้สึกตัวขึ้นมาที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามทำให้มีมากขึ้นเพิ่มพูนขึ้นเพราะฉะนั้นความเพียรความพยายามตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องทานะอย่างต่อเนื่อง การฝึกเจริญสติเนี่ยถ้าจะให้เกิดผลต้องทำอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นยันหลับไม่ใช่ทำแค่ในรูปแบบเท่านั้นนะบางคนก็มีเวลาเริ่มตั้งแต่แดโมงถึงสี่โมงเย็นนะพออาจารย์บอกหมดเวลาก็ไปจับกลุ่มคุยกันเลยตรงนี้มันรูร่วงเลยเพราะนั้นต้องให้ทั้งในรูปแบบแล้วก็นอกรูปแบบนะเหมือนกับคนสมัยก่อนเนี่ยก็จะสีไฟนะ เขาเอาไผ่ไม้ไผ่มาสีกันให้มันเกิดไฟเนี่ยเขาจะต้องทำให้มันต่อเนื่องจนมันพึบขึ้นมาเป็นไฟมันสุกสว่างขึ้นมาได้อันนี้ก็เหมือนกันเราเจริญสติเราก็ทำให้ต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นนอนนะเมื่อตื่นนอนเรารู้สึกตัวนะเรากระดิกขาเล่นเราพลิกมือเล่นหรือเราลมสุดลมหายใจเข้าสุดลมหาใจออกด้วยความรู้สึกตัวนะยิ้มให้กับตัวเองนน้อยนะที่ยังมีชีวิตอยู่ นะ ล, ลุกขึ้นมาด้วยความรู้สึกตัวเก็บผ้าเก็บผ่อนด้วยความรู้สึกตัวล้างหน้าแปลงฟันด้วยความรู้สึกตัวขับถ่ายด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่แบบแปลงฟันไปคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้ในไม่รู้ตัวละมันลืมตัวไปละหรือขณะที่ขับถ่ายก็คิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้มันไม่อยู่กับการขับถ่ายใจมันไม่อยู่กับสิ่งที่เราทําอยู่เฉพาะหน้าตรงเนี้ย ความรู้สึกตัวมันก็เลยยังไม่คมไม่ชัดพอขณะที่เราเดินจากกุฏิมาที่นี่ต่างคนต่างเดินใช้ไฟฉายนะ ร, ะ, ย ะ, ร, ะ, ราะมัดระวังเดี๋ยวจะไปเหยียบสัตว์ต่างๆก็ระมัดระวังอั น, ะน้ก็มีสติขณะที่เรามานั่งฟังนะนั่งฟังธรรมหรือว่ามาสวดมนต์ล้วก็มีใจจดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์อันนี้ก็ถือว่ามีสตินะมีสติกับการสาธยายมนต์มีสติกับการตั้งใจฟัง อันนี้ก็ถือว่าเป็นสติอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการฝึกเจริญสติเนี่ยมันไม่ได้จำกัดแค่ในรูปแบบนะแล้วก็เดี๋ยวพอเราเทาวัดสวดมนต์เสร็จเราฟังธรรมเสร็จเราก็แยกย้ายกันปฏิบัติต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่า ง, า ง, างปฏิบัติพยายามงดการพูดคุยเลยนะการมากลุ่มเนี่ยกลุ่มนี้มันจะช่วยทาให้มีระเบียบในการที่จะใช้ชีวิตที่จะทาให้เกิดสติได้ง่าย คนที่มาเองเนี่ยถ้าควบคุมตัวเองไม่ได้นะก็จะอยู่ไปเรื่อยๆนะนะอยู่ไปกินไปวันหนึ่งนะไม่ได้ฝึกสตนะิตรงนี้ก็น่าเสียดายนะมาวัดป่าสุขโตเห็นมีบางคนมาก็มานอนอ่านหนังสือเปิดไฟนะเปิดกันทั้งวันทั้งคืนนะอันนี้ก็น่าเสียดายมาใช้สถานที่ผิดละนะถ้ามาที่นี่เนี่ยพยายามใชใ้เกิดประโยชน์กับการที่เรามาอ่านกายอ่านใจของเรา หนังสือนี่จะไปอ่านเลยเมื่อวานมีอยู่คนหนึ่งฝึกนั่งไปนั่งมังง่วงหน้าก้าวหนังสือที่วัดมาอ่านบอกทําไมเขาอ่านละ่ะบอกมันง่วงแก้ ง, ง่วงอ่าอันเนี้ยเรายอมแพ้มันละเรียกว่าเราพยายามที่จะเบี่ยงเบนมาแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะผ่านความง่วงได้เนี่ยแรกๆเนี่ยฝืนมันก่อนความง่วงเนี่ยมันได้ไปง่วงตลอดเวลาลเดี๋ยวมันก็ง่วงเดี๋ยวมันก็หาย ตอนที่มันหายเนี่ยจะโอ้มันหายได้เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงได้มันไม่ใช่ว่าจะง่วงตลอดเวลาหรอกมันมีง่วงแล้วมีตื่นมีตื่นเลยนึกง่วงอีกมันไม่ตื่นตลอดเวลาและไม่ง่วงตลอดเวลาอันนี้เราจะได้เริ่มเรียนความจริงของของสิ่งต่างๆก็คือความไม่เที่ยงนะที่เรียกว่าอนิจังนะซึ่งอนิจจังนี้ไม่ใช่เราไปจดไปท่องไปจํานะแต่มันเกิดจากการที่เราประสบพบเห็นจากสติ จากปัญญาที่ได้จากการสัมผัสไม่ใช่เป็นนึกไปคิดเอาการเรียนธรรมะส่วนใหญ่ที่เราเรียนได้ช้าเรียนได้ยากเพราะเราไปใช้ความคิดเราใช้ความคิดมากเราใช้ความจำมากแล้วเราก็พยายามปฏิบัติแล้วก็เทียบเทียบกับสิ่งที่ได้อ่านเทียบกับสิ่งที่ได้ยินตรงนี้มันเลยไม่เจอของจริงของจริงมันจะแสดงออกมา นะสิ่งที่ประจักษ์แจ้งกับใจในขณะนั้นในขณะนั้นนะ่ะนั่นแหละคือธรรมะที่แท้จริงแต่ธรรมะที่เราไปได้ยินได้ฟังแล้วก็มาจดมาจามาเทียบมาเคียงมาอะไรเนี่ยมันคือเราจินตนาการเราไปสร้างความรู้ขึ้นมามันไม่ใช่ของจริงเพราะนั้นการเรียนธรรมะไม่ใช่คิดเอานะแต่สัมผัสนะรู้สึกเครื่องมือสาคัญคือความรู้สึกตัวไม่ใช่ความคิด นะความรู้สึกตัวนี่แหละเป็นเครื่องมือสำคัญเลยที่เราจะใช้ในการที่จะเข้าไปเห็นนะความลี้ลับภายในจิตในใจของเราซึ่งมันมีมากมายทีเดียวแลนะที่เราจะได้เข้าไปเรียนรู้จากของหยาบๆมันจะเป็นของละเอียดละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆหลวงป่อเทียนเคยเปรียบเทียบ ว, ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาไปขุดน้ำบาดาลเมื่อเขาขุดขึ้นมาแรกๆเนี่ยน้ที่ขึ้นมาแรกๆ มันจะเป็นน้ําโคลนน้นําสกรปรกคนนี้ขุดเขาจะตักน้ําสกรปรกทิ้งตักไปก่อนตักไปเรื่อยๆจนสุดท้ายน้ําที่สกรปรกเนี่ยมันจะเป็นน้ําใสขึ้นมาท่านเปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนอะไรเหมือนกับเราเจริญสติเนี่ยขณะที่เราทําความรู้สึกตัวเนี่ยอารมณ์หยาบๆมันจะมาก่อนความง่วงความเบื่อความฟุ้งซ่านความหงุดหงิดลาคาญ ซึ่งอันนี้มันแล้วแต่นิสัยนะบางคนเป็นคนขี้โกรธนะก็จะงุบหิดอุดหิดนะบางคนเป็นขี้ขี้โลภนะหรือ บ, บางคนขี้หลงนะมันจะแสดงออกมาแต่และคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่แสดงออกมานะั่นแหละคือความเคยชินของเราไม่ต้อง ป, ปฏิเสธมันเพียงแค่รู้ทันแล้วไม่ตามไม่จมอยู่กับในอารมณ์นั้นกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเอากายเคลื่อนไหวนี้เป็นหลักไว้ก่อนนะถ้าเราไม่มีหลักเลยเนี่ยเราจะ ลอยไปตามกระแสของอารมณ์ลอยไปตามกระแสของความคิดเมื่อเรามีกายเคลื่อนไหวอยู่บ่อยๆตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ทำให้เรามีหลักมีหลักให้กับใจนะและความรู้สึกตัวนี่แหละเป็นเหมือนแสงสว่างที่จะส่องเข้าไปในจิตในใจของเราห้องลับห้องทีลีลับในจิตในใจมันจะถูกชำระล้างนะชราระล้างทำให้ห้องสว่างทำให้ปโป่งทำให้โล่งขึ้นมานะซึ่ง อันนี้อย่าไปคิดหาวนะให้มันเป็นไปเองนะให้มันเป็นไปเองแล้วลองดูซิมันจะเป็นยังไงเพราะนั้นใจก็คือความโล่งปโปร่งเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นแต่ที่มันไม่โล่งไม่ปโปร่งเพราะว่ามันมีกิเลสเนี่ยมาบังอยู่นะความสสบปกมาบังอยู่เพราะนั้นเรามีหน้าที่ที่จะชาระล้างออกไปเท่านั้นเองอันนี้เป็นสิ่งที่เรามาชำระล้างจิตใจเพราะนั้น การมาวัดป่าสุกโตเนี่ย น, นอกจากรามาละชั่วทำดีอีกอันนึงคือทำจิตให้บริสุทธิ์นี่ละ่ะคือสิ่งที่ที่พระพุทธองค์ได้กล่าวไว้ในโอวัตถปาติโมกะละชั่วทำดีทำจิตให้บริสุทธิ์ละชั่วเราเข้าใจได้ง่ายทำดีเราก็ใจได้ง่า ย, าายแต่ไอชั้มลัจจิตเนี่ยบางทีเราไม่ค่อยเข้าใจบางทีเราไปคิดเอาว่าเออทำอย่างโน้นทำอย่างนี้นนไปคิดเอาแต่เมื่อเรามาปฏิบัติเรามาเจริญ สติเนี่ยมาทำกรรมาฐานนี่คือการชําระจริงๆเป็นการชําระล้างจิตใจเปรียบเหมือนเราทําความสะอาดห้องที่มันลี้ลับที่มันไม่เคยได้ใช้ให้มันสะอาดเอาของออกให้หมดทำความสะอาดให้เรียบร้อยติดไฟให้มันสว่างแล้วมันก็จะใช้ประโยชน์ได้ใจของเราก็เหมือนกันมันมีพลังมากถ้าเราเข้าใจที่จะเอามาใช้ประโยชน์ เพะตัวสตินี่แหละที่เป็นตัวที่ทะลุทะลวงเข้าไปหาสิ่งที่ลี้ลับภายในพระอาทิตย์ให้ความสว่างกลางวันพระจันทร์ให้ความสว่างกลางคืนสติสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนนะเพราะฉะนั้นอันนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนพวกเราเนาะที่มากลุ่มก็ดีหรือไม่ได้มากลุ่มก็ดีมาอยู่ที่วัดก็ดีนะ อย่าให้เสียประโยชน์เลยการมาอยู่วัดนะพยายามที่จะทำเรื่องการชาระจิตให้บริสุทธินะ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราทำได้แล้วมันจะติดเนื้อติดตัวเราไปนะจนนู่นล่ะกว่าชีวิตจะหาไม่นะแล้วเราไม่ต้องมาเวียนเกิดเวียนตายเวียนทุกขนะ์อยู่ในสังสารวัฏกันต่อไปนะมาออกจากความทุกข์นี้กันเถิดนะอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่เราสามารถจะทได้ ไม่ใช่เรื่องเลอวิสัยพระพุทธองค์หาช่องทางไว้แล้วเราไม่ต้องไปคิดค้นใหม่เดินตามเท่านั้นเองครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆท่านก็เอามาพูดนะด้วยภาษาร่วมสมัยและสามารถจะทำได้บรรยากาศของวัดป่าสุกโตก็เอื้อกับเรื่องพวกนี้มีกรลยาณมิตรมีครูบาอาจารย์มีสิ่งแวดล้อมเอื้อให้กับเรื่องนี้ก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยอย่าได้รอช้า อยากได้เสียเวลาไปกับเรื่องอื่นเลยเนาะให้ใช้เวลากับเรื่องนี้ให้เต็มที่ทุกเวลานาทีเป็นเวลาแห่งความรู้สึกตัวเป็นเวลาที่เราจะเข้าไปเห็นจิตเห็นใจของเราซึ่งก่อนจะไปเห็ น, หนจิตเห็นใจของเรานั้นให้เรามารู้สึกตัวที่ก่ายเคลื่อนไหวก่อนเอาตรงนี้อย่าพึ่งไปดูจิตดูใจทันทีไปดูความคิดทันทีเดี๋ยวมันจะหลงให้ทําตรงนี้ชัดๆก่อนคือรู้สึกที่กายเคลื่อนไหว ชัดๆก่อนนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นอะอะไในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระศิตรก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็คือสิ่งสัมปชัญญะที่มีอยู่ในตัวเราพระธรรมคือสัจธรรมความจริงที่แสดงปรากฏทั้งที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ตามพระสงฆ์ก็คือการประพฤติปฏิบัติ นะที่เรามาร่วมกันนะในการเจริญสติในการประกอบสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะและด้วยความเพียรความพยายามความอดทนความศรัทธาที่เรามีอยู่ทุกคนแลนะก็ขอให้ได้มีโอกาสประสบพบเห็นนะกับจิตที่เป็นปกติปลอดโปร่งโลง่งนะสว่างสวยัยที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้ของจิต